องห้าแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่ประกอบด้วยศีลขัน์อันเป็นอเศขะ 2. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอเศขะ3ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอเศขะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขัน์อันเป็นอเศขะ 5. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนคัน์อันเป็นอเศขะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บหนึ่ง